อย่างพระอะไรนะพระจิตหัตถะในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันียกว่ามือมีใจเหมือนมือเนี่ยนะบวชบวช7ครั้งศึกหครั้งเนี่ยนะบวชครั้งที่7็ก็เลยบรรลุเนี่ยนะที่ที่ก็บอกว่าจนมาขอบวชครั้งที่7็เนี่ยพระจะไม่ให้บวชอ่ะบอกว่าเฮยหัวของท่านมันที่รับมีดโกนนะมั่งเนี่ยนะาจะบวชเลยนะก็เนื่ยแต่ว่าอ่อนวอนเข้าก็เลยบวชบอกว่าบวชก็เลยอนุญาตให้บวชบวชครั้งที่7็ก็บรรลุเป็นพระอรหันต ก็บอกว่าโดยกรรมในอดีตก็คือตอนมีอยู่ชาติหนึงอะเห็นเพื่อนอยากศึกตัวแรกก็ห้ามตอนหลังเออเนี่ยถ้าเพื่อนศึกแม้บริขารก็ตกถึงเราเสียโอ้สึกไปเถอะเพื่อนทํามาหากินนะดีนะอย่างนั้นอย่างนี้เลี้ยงดูครอบครัวก็เพื่อนก็ศึกสึก็บริขารเสร็จตัวบริขารเสร็จก็เลยไอ้กรรมมันั้นก็ชาติสุดท้ายยังบวชบวชสึกสึกสึกหกครั้งบวชครั้งที่เจ็ดจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ยนะพระองค์ก็เล่าว่าอดีตชาติพระองค์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันบางชาติเนี่ยนะ บัณฑิตจอบเฮี้ยนก็เป็นเหมือนกันนะบวชหกครั้บวชเครั้งศึก6ครั้งเหมือนกันขนาดบวชแล้วได้ชาเนะี่ยยังศึกกลับไปทํานาะศึกกลับไปแบบไปไ ป, ไปมีเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ถังหนึ่งแค่นะั้นนะจอบอยู่อันหนึ่งอะเสียดายอะไรอาวุเนีนะ่ยนะกพาะอยากปลูกนะเพราะฉะนั้นะถึงเทศกาลก็ศึกไปเพาะไปปลูกพอหมดเทศกาลก็มาบวชนะเจริญชาตต่อพอได้เทศกาลทํานาก็ศึกไปทํานาต่อคล้ายๆแบบเนี้ย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 วันหลังอีสองสวันอยากศึกเอง ก, ก็ไปด้วยผ้าชนะเก่าๆไอ้ผ้าขาดๆอีกนั่นแหละเพราะศึกมันต้องกลับไปนุ่งตามเดิมนะ่ะเพราะตัวเองแขวนเอาไว้ก็เดินกลับไปกลับมาจนท้องไอ้ทางมันเป็นร่องไปหมดเลยอ๋อไปปรึกษาอาจารย์เขาอย่างั้นเนหะมือนอาจารย์ใหญ่เลยนะถ้าศึกท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้นะก็เลยบวชต่อไปได้ในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์นะในที่สุดก็เป็นพระอรหรันต์ มันก็อุปนิสัยที่ที่เคยอดีตเคยชักชวนให้คนอื่นศึกหรือเกลีย้ยกล่อมให้คนอื่นศึกหาลาเพศเป็นต้นอ่ะอัธยาศัยคำเหล่านั้นที่ไปพูดไปคุยเนี่ยนะทำให้ตัวเองไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์นในตอนหลังพันคำพูดแต่ละอย่างที่เราจะพูดอะไรออกไปนี่ก็ใครควรให้มันรอบครอบเจก่อนว่าเบียดเบยียนตัวเองต่อไปในอนาคตตชาติหรือไม่เนี่ยนะ มันคำแต่ละอย่างอาจจะดูดีเฉพาะหนะ้าแต่เดือดร้อนตอนปลายก็ได้นะนะศึกษาให้ดีๆนี่พูดถึงเศรษฐีบุตรผู้นี้บวชแล้วก็ศึกจนศึกสองครั้งพอถึงครั้งที่สามก็บวชอีกพอบวชแล้วก็บ ร, รุเป็นพระปัจเจกนะอุทานพยากร์คาถานในถ้มกลางพระปัจเจกนะศึกสองครั้งบวชครั้งที่สามจึงบรรลุว่ากามาหิจิตรา ม, มัุรา ม, มโนรมา วิรูประปาะวิรูประรูเปนะมะเถนติจิตตังอาทีนวังกามคุเนสุทิสวาเอโกเจเรค ข, ะขะวิสานกัปโปแปลว่าก็กรรมทั้งหลายมีวิจิตมีรสอร่อยเป็นที่รื่นรมใจย่อมย่อ ม, มยีด้วยรูปแปลกแปลกนะก็กามทั้งหลายที่วิจิตนะอะไรจะมีวิความวิจิตลวดลายพิสดารเท่ากับโลกของวัตถุกรรมว่างอนกัน แล้วก็มีรถอร่อยไหมครัว่าหน้าให้เพลิดเพลินหน้ายินดีเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเพราะงั้นพอสิ่งเหล่านี้ที่น่าชื่นใจหน้าเพลิดเพลินก็ย่ายีจิตอ น, นะด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยก็ย่ายีจิตเรียกว่าวิธีอะไรนะโฆษณาชวนเชื่อเรียกว่าอ่าลอ่อให้จิตไปติดให้จิตไปติดไปคล้องบุคคลเห็นโทษในการมักคุณทั้งหลายแล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรก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 มีสายตาอยู่กับโลกแคบๆโลกสี่เหลี่ยมก็คิดที่เหลือก็คิดเอาในใจตัวเองอะไรเนีย่ยนะพันไม่ใช่น้อยบางคนก็ตายคาเนี่ยนะดูดูทีวีไปจนชักตายก็มีนะบางคนก็ดูเล่นคอมถ้าจนตายก็มีเล่นอินเทอร์เน็ตนะในโลกของพวกนี้มันวิจิตพิสดารในโลกของการท่องเที่ยวโลกแห่งสีสันสารพัดอย่างที่มีอยู่ในโลกแล้วก็จริงเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่อริเอตอร่อยเพราะเป็นที่ยินดีของชาวโลกเป็นที่รื่นรมใจเพราะอะไร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 ยังไม่รู้ตัวว่าชีวิตเคลือบคลานใกล้เข้าไปสู่ความตายอย่างสมัยใหม่เลยสมัยใหม่ที่เรียกว่าวินาศกรรมโจรกรรมสมัยที่กอ่อการร้ายระบาดเนี่ยบางคนเนี่ยเพลิดเพลินจนตายเลยก็มีนะเพลิดเพลินเสร็จระเบิดตุ้มตายไปเลยก็เรียกว่าตายคาความเพลิดเพลินเหมือนสบายแต่กัรนึกถึงพบใหม่เขาจะไปอย่างไรเนาเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้วิรู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 วิปัสนาเนี่ยนะไม่น้อมใจไปในสมถะและวิปัสนาแม้แต่บวชเข้ามาบรรปชาเข้ามาก็ไม่ได้เรียนเพื่อสมถะวิปัสนาก็เรียนเพื่อโลกของวัตถุการมนะเป็นวิชาความรู้ที่ส่งเสริมเพื่อวัตถุกรรมไม่ได้ส่งเสริมสมถะวิปัสนาตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสี่ยมสอนเขาบอกว่ากลัวจะไม่ทันชาวโลกเขาว่าไงนะมาโอ้ยไม่ทันชาวโลกแลเดี๋ยวตกนระกขุมเบากว่าชาวโลกแนละ ก็เลยชักชวนกันเพลิดเพลินในโลกของวัตถุกา ร, รเรียนในโลกของวัตถุกา ร, รมแต่ก็ไม่เห็นว่าประสบความสำเร็จตรงไหนทีนี้ย้อนกลับมาถึงโทษของกา ร, รเนี่ยนะที่ภาษารีบุตรแสดงไว้เนี่ยซึ่งไพเราะมากว่าที่เรียกว่ากา ร, รทั้งหลายอันวิจิตมีรสอร่อยน่ารื่นรมใจ ย่อมย่ำยีจิต ด, ด้วยอารมณ์มีชนิดต่างๆบุคคลเห็นโทษในการมาคุณทั้งหลายแล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรดเของเรานี่ก็ฟังไว้ก่อนยังออกไม่ได้ก็ฟังให้รู้ช่องทางไว้บ้างเรายังดีก็ว่ากันอย่างนะ้ยังออกไม่ได้ยังโอ้เนี่ยนะนี่มีเวลามาสักวันหนึ่งนะเขาปล่อยให้มาวันหนึ่งก็ดีใจแล้วนะรู้ช่องทางไวบ้างก็ดีเหมือนกันนะยุ่งขนาดนั้นเลยนะเขาบอกว่าโอ้ยเวลายังไม่มีเลยนะ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 สำคัญตาใดก็ช่างเธอแต่พูดอย่างนี้ว่าให้รู้ว่าสาระที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยมันคืออะไรเพราะอะไรเพราะมันใช้ชีวิตคนละวันละยี่สบสี่ชั่วโมงเหมือนกันปีละสามรอหกิบวันเออมสามรอยหกสิบห้าวันเหมือนกันในรอบสิบสองปีในรอบมีชีวิตเท่าไหร่นั้นแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยนะก็เหลือน้อยเข้าไปทุกเท่านั้นนะวันเวลาผ่านไปเท่าใดชีวิตที่เหลือก็น้อยลงไปเท่านั้นเมื่อน้อยๆอย่างนี้เนี่ยนะมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วอะอะไรอะไร อะไรคือที่สําคัญเนี่ยนะอะไรคือสาระอะไรที่จะติดตัวไปได้ะนะดูสิ่งเหล่านั้นหลายเรื่องมันเอาไปไม่ได้หรอกมันก็หน้าเพลิดเพลินเฉพาะหน้าเสร็จแล้วก็เพลิดเพลินเนี่ยมันก็หลอกตัวเองก็เหมือนกับอะไรนะอ ม, มอะไรสักอย่างที่มันมีรสหวานแต่ไม่อิ่มจริงนะก็ดูเหมือนกับว่าแต่ว่าทางธรรมะท่านใช้คําหนักมากบอกเหมือนหมาแทะกระดูกเขาว่างั้นทางธรรมะนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าเหมือนร่างกระดูกว่างั้นเอง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 กลิ่นนานาชนิดเนี่ยนะกลิ่นน้ำอบน้ำหอมสารพัดประเภทรสอร่อยอร่อยนานาชนิดสมัยใหม่นี่คือเรียกว่าอาหารนานาชาติครับกันะอาหารนานาชาติรสนานาชาติเนี่ยนะก็เราจะทานอะไรละ่ะจะรสชาติไหนไม่ต้องเป็นจักระพัดก็ได้ลิ้มรสอร่อย อ, อ, ยอ่อยแบบสมัยนะั้นแล้วจะไม่ให้ติดได้ยังไงใช่ไหมมีโพธิัณฑ์นานาชนิดขนาดร้อนแดดเปรี้ยงทั้งนอกแต่ตัวเองเย็นสบายได้เนี่ยนะเหมือนมีบุญจริงๆเลยนะเหมือน คือไอ้ไม่ได้เถียงว่าไม่มีบุญมีแต่ว่ามีนานหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง น, นะเชื่อแล้วละ่ะว่าเป็นผู้มีบุญที่ได้สเสวยรูปที่น่าปรารถนาอ่นะได้ดูเสียงที่น่าพอใจอ่นนะรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมมรมทั้งหลายแต่ละอย่างน่าปรารถนาะหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเขก็อยากว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือเพลินจนหมดเวลานี่สิก็เลยลืมเก็บอริยทรัพย์ไปด้วยเนี่ยนะพบใหม่ก็เดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยนะ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 พันในโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ว่าไอความวิจิตพิสดานที่บางท่านได้รับนี่ก็อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวเนี่ยนะเป็นของชั่วคราวถ้าบุญมันยังให้ผลอยู่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจก็มาบ่มบลงบ่มเรอแต่ถ้าหมดบุญไปก็เดือดร้อนเนี่ยนะอย่าลืมว่าผลบุญมันก็ก็เหมือนกับใจที่เป็นบุญแหละมันก็ไม่ค่อยแน่เหมือนกันนั่นแหละเอาใจที่เป็นบุญแน่ไหม